กราัมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทงางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวซทรอ FM 106ข้าพเจ้าพระมหาภัยบูนอภิปุนโนจากวัดป่าดอนหายโศกตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเวลาที่เรามาพบกันในช่วงของวันดังการและวันพุธนั้นเป็นประจำทุกสัปดาห์นนมูฟังในช่วงนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงที่ทาการทดลองทดลองในการที่จะ นำเรื่องราวที่เป็นพุทธพจน์แต่จริงๆทุกๆวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่เรามาพบกันนั้นก็ให้ฟังพุทธพจน์นั่นแหะแต่แทรกไว้ตรงนั้นบ้างแทรกไว้ตรงนี้บ้างในการกําหนดบทเพลงชนะแต่บางทีก็ปนกันไปกับสิ่งที่ข้าพเจ้าได้บอกได้พูดในรายการแต่ที่พูดถึงมีความพิเศษในช่วงของวันอังคารแล้วก็วันพุธนั้นก็เป็นการที่จะได้ให้ฟังเรื่องราวพระสูตรที่เป็นสองภาษา รวมถึงภาษาไทยภาษาอังกฤษและแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นพุทธพจน์แต่เป็นบทเปลียนชนะของพระพุทธเจ้าเป๊ะเปเป็นช่วงเวลาที่เราคิดว่าจะให้ทุกฝั่งนั้นได้เข้าถึงสิ่งที่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าในพระวาหลักการก็คือว่าไม่ว่าใครจะสอนเรื่องไหนพูดเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นไปในแนวทางธรรมะเนี่ยเขาก็จะต้องเอามาจากที่พระพุทธเจ้าบอกสอนไว้ทั้งสิ้นสึ่งสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นั้นละคมมากทุกฝังในทั้งที่เป็นบทเปลียนชนะ น่นคือตัวสอนแต่มีความหมายลึกด้วยแทั้งที่เป็นความหมายนั่นน อ, อกจากลึกแล้วยังกว้างไปในหลายในยะนังจึงจําเป็นที่เราจะต้องอามาฟังสิ่งที่เป็นพุทธพจน์นี่แหละแล้วการได้ยินได้ฟังสองภาษานมันก็ช่วยในการที่จะทําให้ความรู้ของเรานั้นกว้างขวางแตกได้ออกไปอีกหลายประเด็นในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นพรับรท่านผู้ฟังได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมที่จะเป็นไปเพื่อความสุขในปัจจุบัน แล้วก็จะเป็นไปเพื่อความสุขในสิ่งต่ อ, ตอไปแต่ซึ่งตรงเนี้จะเป็นจุดที่หลายๆครั้งเราจะพบว่าคาของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่พระพุทธาบอกสอนไว้ตรงนี้นะก็ถูกขยายความด้วยคําตรงนั้นนะคำตรงนั้นก็มาขยายความคําตรงนี้นะแต่อาจจะตรัสไว้คนละพระสูตรกันคนละที่คนละทางกันแต่ตัวอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกอันหนึ่งเหมือนกันในที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้ให้ฟังเกีย่ยวกับเรื่องของการที่จะให้กรองตนอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน นนหนึ่งในนั้นก็คือพูดถึงการที่เราจะหาทรัพย์ได้อย่างไรแต่วิธีการที่เราจะหาทรัพย์ด้วยความเพียนเป็นเครื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกำลังแกนตัวชุ่มน้วเหงือ่อยังต้องรู้จักรักษาในการที่จะปิดขั้นอันตรายต่างๆ่างต่งการมีเพื่อนดีแล้วก็การที่เลี้ยงชีวิตอยู่อย่างสม่ําเสมอในตรงจุดที่เรีว่าเลี้ยงชีวิตอยู่อย่างสม่ําเสมอไม่ฟุ่มเฟือยนักไม่เฟืเครื่องนักเนี่ยก็มีการอธิบายที่เป็นพุทธพจน์เองเนี่แหละที่บอกว่าเอ๊ะแล้วการจ่ายทรัพย์ เราหาทรัพย์ในลักษณะนั้นมาแล้วแต่เราจะจ่ายทรัพย์ในลักษณะไหนแต่เพราะว่าการที่จะทําสัมชีวิตานั่นคือการเลี้ยงชีพอยู่อย่างสม่ําเสมอเนี่ยมีกระแสเงินเข้ามากกว่ากระแสเงินออกให้กระแสเงินออกเนี่ยไม่ท่วมกระแสรายรับแต่วิธีการที่เราจะพิจารณาก็ต้องดูที่ตัวรายจ่ายด้วยดูที่ตัวรายรับด้วยแตเรื่องของรายรับเราได้พูดกันไปแล้วลมาทบทวนอีกสักนิดหนึ่งตัง้งแต่วังตรงส่วนของที่เรียกว่าเป็นสัมชีวิตา แต่การที่เลี้ยงชีพยอยู่ย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ฟุ่มเฟือยนักไม่ฝืดเกลืองนักพ ร, พระเจ้าได้ตรัสในเรื่องนี้ไว้อย่างนี้ว่าก ร, ระบิดีก็การเลี้ยงชีพยอยู่อย่างสม่ำเสมอหรือสามารถชีวิตาเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้รู้จากการได้มาแห่งโภคทรัพย์รู้จากความสิ้นไปแห่งโภคทรัพย์และดารงชีวิต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 ข้อนี้ฉันใดบุคคลนั้นก็ฉันนั้นคือเขารู้จักความได้มาแห่งโภคทรัพย์รู้จักความสิ้นไปแห่งโภคทรัพย์และดำรงชีวิตอยู่อย่างสม่มเสมอไม่ฟุ่มเฟื่อยนักไม่เื่อยเฟือนักโดยมีหลักว่ารายได้ของเราจะท่วมรายจ่ายและรายจ่ายของเราจะไม่ท่วมรายรับด้วยาการอย่างนี้ คือถ้าบุคคล น, นี้เป็นผู้มีรายได้น้อยแต่สำเร็จการเป็นอยู่อย่างฟุ่มเฟือยไสก็จะมีผู้กล่าวว่าบุคคล น, นี้ใช้จ่ายโภคทรัพย์อย่างสุรุ่ยสุร่ายเหมือนคนกินผลเมือเดือฉันใดกระฉันนั้นแต่ถ้าเขาเป็นผู้มีรายได้มหาศาลแต่สำเร็จการเป็นอยู่อย่างแรงแค้นไส ก็จะมีผู้กล่าวว่ากลุ่บุตรนี้จะใต้อดตายยากอย่างคนอนาถาแต่เมื่อใดเขารู้จักความได้มาแห่งโภคทรัพย์รู้จักความสิ้นไปแห่งโภคทรัพย์ลักดำรงชีวิตอยู่อย่างสม่ำเสมอไม่ฟุ่มเฟือยนักไม่เฟือยเกลื่อนนักโดยมีหลักว่ารายได้ของเราจะท่วมรายจ่ายและรายจ่ายของเรา จะไม่ท่วมรายรับด้วยอาการอย่างนี้นี่แหละเรียกว่าการเลี้ยงชีพยอย่างสม่ำเสมอหรือสมชีวิตา And what is balanced living? Here, a clansman knows his income and expenditures and l e a d a balanced life, neither too extravagant. Not too frugal, aware that, in this way, my income will exceed my expenditures, rather than the reverse. Just as an presser, or his apprentice, holding up a scale, knows by so much it has dipped down, or by so much it has gone up, so a c l a n s e man knows.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 neither too extravagant n o t too frugal aware that in this way my income will exceed my expenditure rather than reverse แล้นั่นคือเรื่องของการใช้จ่ายทรัพย์อยู่อย่างสม่ำเสมอคือสมชีวิตาแน่นอนเระท้ามผฟังเรื่องของรายรับในเรื่องของรายรับเราก็จะต้องทำงานอย่างหนักไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่ที่ได้พูดๆกันไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนั้นก็เป็น เรื่องของข้าราชการเรือเรือนบ้างข้าราชการทหารบ้างเรื่องของการเกษตรบ้างเรื่องของการเลี้ยงสุสั์บ้างเรื่องของอาชีพใดอาชีพหนึ่งที่เป็นศิล ป, ปะอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นหมอพยาบาลอาชีพจักษ์สารได้ทั้งนั้นทำเองก็ได้จัดให้กระตำก็ได้ประเด็นคือต้องขยันขันแข็งแไม่ว่าคุณจะอยู่ในอาชีพอะไรก็แล้วแต่แต่เกิดจะเป็นที่ที่มาของรายได้ทีนี้ส่วนเรื่องรายจ่ายท่านฟังใะรายจ่ายเนี่ยก็มีหลักการในการจ่ายทราบเอาไว้หลักการในการที่จะจ่ายทรัพย์นั้น แ, แบ่งออกเป็น4ส่วนด้วยกัน4ส่วนในที่นี้ก็คือเพื่อที่จะเลี้ยงดูเนะลี้ยงดูคนที่อยู่รอบๆตัวเราแต่แต่ตัวเราเองมานาบิดาคนในครอบครัวญาติมิตรลูกน้องแต่พวกนี้เราต้องเลี้ยงดูให้ดีนี่คือส่วนที่1ส่วนที่2ก็แบ่งไปเพื่อที่จะเป็นไปนในการใช้ใจ่ายในการป้องกันทรัพย์แตคือการจ่ายในการป้องกันทรัพย์เนี่ยมันบางทีก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายเช่นเจ้าภาษีหรือว่าจ่ายค่ายาม จ่ายค่าประกันพวกนี้เป็นค่าใช้จ่ายในการที่เราจะป้องกันทรัพย์ของเราไม่ให้เสียไปแต่ก็ตรงนี้ก็เป็นต้องเป็นรายจ่ายแต่มันไม่เหมือนกับส่วนที่เป็นรายได้แต่คือในเรื่องของการจ่ายทรัพย์เพื่อที่จะป้องกันอันตรายเนี่ยตรงส่วนที่เป็นรายได้ก็มีแต่ตรงนั้นต้อเป็นลักษณะของการที่เราเปลี่ยนสินทรัพย์ของเราให้เป็นอย่างอื่นเช่นคุณมีเงินสดคุณก็เปลี่ยนเงินสดให้เป็นตราสารหนี้คุณมีเงินสดคุณก็เปลี่ยนเงินสดให้เป็นที่ดินหรือว่าเป็นทองคําหรือเป็นหุ้นอย่างใดอย่างหนึ่ง อันนี้คือมีการเปลี่ยนรูปแบบของทรัพย์ตรงนั้นก็จะเป็นทางมาแห่งรายได้ได้แต่ว่าตรงนี้เนะี่คือการใช้จ่ายเพื่อป้องกันทรัพย์นี่คือฐานที่2 ส, ส่วนข้อที่3ามและข้อที่4 น, น, นั้นเป็นการให้ไปเลยนะให้ไปโดยที่ไม่หวังคืนโดยข้อที่3นั้นให้ไปเพื่อที่จะหวังเป็นการช่วยเหลือสงเคราะห์ซึ่งกันและกันนะเช่นช่วยญาติบ้างสงเคราะห์ญาติสงเคราะห์เพื่อนฟูงหรือว่าช่วยในกิจการงานกุศลอย่างใดอย่างหนึ่ง นี่คือส่วนที่3คือให้ไปนะี่ยไม่หวังคืนเป็นการสละออกส่วนที่4ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่แต่ส่วนที่4นี้เฉพาะจอจงในเรื่อ ง, งของบุญเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลเรามาฟังรายละเอียดตรงนี้ท่านผู้ฟังเรื่องของการที่จะแบ่งใจทรัพยนะ์ตามหลักการนี่แหละว่าทรัพย์เนี่ยที่เรามีที่เราว่ารายได้ต้องท่วมรายจ่ายอย่าให้รายจ่ายท่วมรายรับแล้วเจ้ารายจ่ายเนี่ยมีรายละเอียดอย่างไงบ้างวิธีจ่ายเงินมีอยู่4อย่างพระพุทธเาได้ตรัสไว้อย่างนี้บอกว่า สัมมาอาชีวะสมบูรณ์แบบสำหรับพฤหัสกระบดีคือท่านั้นเมื่อใช้โภคทรัพย์ที่ตนหาได้มาด้วยความเพียรเป็นเรื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกำลังแขนมีตัวชุ่มด้วยเหงือ่อเป็นโภคทรัพย์ที่ประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมเพื่อกระทำกรรมในหน้าที่ สีประการ with wealth acquired by energetic striving amassed by the strength of his arms earned by the sweat of his brow righteous wealth r i g h t e o u s l y gained the noble disciple undertakes four worthy deeds สี่อย่างคือหนนั้น ใช้โภคทรัพย์ที่ตนหาได้มาโดยชอบธรรมในการเลี้ยงตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนำบริหารตนให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องในการเลี้ยงมารดาบิดาให้เป็นสุขให้อิ่มหนำบริหารท่านทั้งสองให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องในการเลี้ยงบุตรภรรยาทาากรมกร ตั้งชายและหญิงให้เป็นสุขให้อิ่มหนำบริหารให้อยู่กันอย่างเป็นสุขโดยถูกต้องในการเลี้ยงมิตรอมารให้เป็นสุขให้อิ่มหนำบริหารให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องนี้เป็นการบริโภคทรัพย์ฐานที่หนึ่งที่อริยาสาวกนั้นถึงแล้วบริโภคแล้วโดยชอบด้วยเหตุผล And what for? Here, with wealth acquired by energetic striving, r i g h t e o u s l y gained, the noble disciple makes himself happy and pleased, and properly maintains himself in happiness. He makes his parents happy and pleased by properly m a i n t a i n i n them. In happiness, he makes his wife, and children, his slaves, w o r k e r s and servants, happy, and pleased, and properly maintains them in happiness. He makes his friends and companions happy, and pleased, and properly maintains them in happiness. This is the first case. of wealth that has gone to good use that has been properly utilized and used for the w o r t h y cause กระบดีก็ อ, อื่นยังมีอีกคืออริยสาวกนั้นใช้ปกษัพที่ตนหาได้มาโดยชอบทำในการปิดขั้นอันตรายทั้งหลายทำตนให้สบัสดีจากอันตรายทั้งหลาย ที่จะเกิดจากไฟจากน้ำจากพระราชาจากโจรหรือจากทายาทที่ไม่เป็นที่รักนั้นนั้นี่เป็นการบริโภคทรัพย์ฐานที่สองอนารยะสาวบกนั้นถึงแล้วบรรลุแล้วบริโภคแล้วโดยชอบด้วยเหตุผล Again With wealth acquired By energetic striving, r i g h t e o u s l y gained, the noble disciple makes provisions against the losses that might arise from fire, floods, kings, thieves, all d i s p l e a s i n g heirs. He makes himself secure against them. This is the second case of wealth that has gone. to good use that has been properly utilized and used for a worthy cause grammar อีกอื่างมีอีกคือเรียสาวกนั้นใช้โปกทัพย์ที่ต้นหาได้มาโดยชอบธรรมในการทำปลีกรรม5ประการคือการสงเคราะห์ญาติคือญาติปรีการสงเคราะ์แขก การสงเคราะห์ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วการสงเคราะห์ชาติและการสงเคราะห์เทวดานี่เป็นการปฏิโภกทภัพฐานที่สามอนยสาวกนั้นถึงแล้วบริโภคแล้วโดยชอบด้วยเหตุผล Again with wealth acquiredbyenergeticstrivingrighteouslygainedthe noble disciple Makes the five oblation to relatives, to guests, to ancestors, to the king, to the deities. This is the third case of wealth that has gone to good use, that has been properly u t i l i z e d and used for a worthy cause. Ramadhi, ข้ออื่นยังมีอีก คืออริยาสาวกนั้นย่อมใช้โปกทรัพย์อันตนหาได้มาโดยชอบธรรมในการตั้งไว้ซึ่งทักษินาทานอุทิศแด่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้งดเว้นแล้วจากความประมาทมัวเมาผู้ตั้งมั่นอยู่ในขันติและโสระจะผู้ฝึกฝนทำความสงบทำความดับเย็นแก่ตนเองอันเป็นทักษินาทานที่มีผลเลิศในเบื้องบน เป็นฝ่ายดีมีสุขเป็นผลตอบแทนเป็นไปพร้อมเพื่อสวรรค์นี้เป็นการบริโภคทรัพย์ฐานที่สี่อนริยาสาวกนั้นถึงแล้วบรรลุแล้วบริโภคแล้วโดยชอบด้วยเหตุผล Again with wealth acquired by energetic striving risesly gained The noble disciple establishes an uplifting offering of alms, an offering that is heavenly, resulting in happiness, conducive to heaven, to those ascetics and brahmins who refrain from intoxication and heedlessness, who are settled in patience and mildness, who tame themselves. ข m themselves and train themselves for nibbana. This is the fourth case of wealth that has gone to good use, that has been properly employed and used for the worthy cause. กระบดีอริยะสาวกย่อมใช้โพกัพที่ตนหาได้มาด้วยความเพียรเป็นเรื่องลุกขึ้น รวบรวมรวมาด้วยกำลังแขนมีตัวชุ่มด้วยเหงื่อเป็นโภทรัพที่ได้มาโดยทมประกอบด้วยธรรมเพื่อกระทำกรรมในหน้าที่สี่ประการเหล่านี้แหละ t h e s e are the four worthy deeds that the noble disciple undertakes with wealth acquired by energetic striving amassed. by the strength of his arms, earned by the sweat of his brow, r i t e s wealth, r i t e s l y g a i n e d เมื่อโพกษัพทั้งหลายของบุคคลใดถึงความหมดไปสิ้นไปโดยเว้นจากกรรมในหน้าที่สี่ประการเหล่านี้แล้วโพกษัพเหล่านั้นเรากล่าวว่าเป็นโภคะอันบุคคล น, นั้น ไม่ถึงแล้วโดยฐานะไม่บรรลุแล้วไม่บริโภคแล้ ว, ว, ลวโดยชอบด้วยเหตุผลแต่ถ้าโพกระซับทั้งหลายของบุคคลเหล่าใดถึงความหมดไปสิ้นไปโดยกรมในหน้าที่สี่ประการดังนี้แล้วโพกระซั์เหล่านั้นเรากล่าวว่าเป็นโพค่ะอันบุคคล น, นั้นถึงแล้วโดยฐานะบริโภคแล้ว โดยชอบด้วยเหตุผล When anyone exhausts wealth on anything apart from these four worthy deeds, that wealth is said to have gone to waste, to have been squandered, and have been used f e v o l o u s l y But when anyone exhausts wealth on these for worthy deeds, that wealth is said to have gone to good use, to have been properly used, and have been utilized for worthy cause. ประเด็นมันคือตรงนี้ท่านผู้ฟังแตว่าการใช้จ่ายทรัพย์ใน4ีหน้าที่เนี้ยมันต้องหมดนะต้องหมดแต่ถ้าไม่หมดน่ไม่ดี หมดยังไงถึงเรียกว่าดีคือถ้าหมดไปโดยไม่ใช่สีหน้าทีน่นี้คือเงินนะเงินทั้าหมดเลยโดยไม่ได้ใช้ใจ่ายในสีหน้าทีน่นี้แสดงว่าอันนั้นนะ่ะใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยแต่ฟุ่มเฟือยหมายความว่าไงก็แสดงว่ามันต้องหลุดไปในเล่นการพนันหลุดไปในนักเลงเจ้าชู้หลุดไปในเรื่องเพื่อนชั่วกินเหล้าเมาเบียอันนี้ต้องมีแน่แต่เผื่อว่าไม่ได้ใช้จ่ายในสีหน้าที่นี้แล้วทซั์หมดไปนะ่ถือว่าอันนี้ เป็นการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแต่ถ้าบอกว่าเราจ่ายในสีหน้าที่นี้แล้วจนหมดนะถือว่าอันนี้ใช้อยู่อย่างถูกต้องเพราะว่าท่าผู้ฟังลองดูในข้อที่2อเป็นต้นแล้วข้อที่2ที่เราใช้จ่ายในทรัพย์เพื่อที่จะป้องกันทรัพย์ส่วนใหญ่ของเราเนี่ยเบื้องตีเราก็เปลี่ยนแปลงจากตรงนี้เปลี่ยนแปลงจากเงินสดในสกุลเงินใดสกุลเงินหนึ่งเป็นอีกสกุลเงินหนึ่งเป็นต้นอย่างเงี้ยเนื่อนะเพื่อที่จะป้องกันการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงในเรื่องอัตราแลากเปลี่ยนเป็นต้น แต่ตรงนี้ก็คือถือว่าใช้ในการเก็บออมได้ใช้ในการลงทุนได้เปลี่ยนจากทรัพย์คือเงินสดให้เป็นอสังหาริมทรัพย์บ้าง ต, ตรงนี้ก็ชื่อว่าเป็นการลงทุนหรือว่าเป็นการเก็บไว้ในยามยากอันนี้ก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเงินที่เรามีได้รับมาเนี่ยเป็นกระแสงเงินเข้าเป็นรายได้ของเรานะให้ใช้ให้หมดจนฝังใน4หน้าที่นี้แก็ตามลําดับอย่างนี้นนจะมากจะน้อยอันนี้อยู่ที่ว่า เราตัดสินใจเอานะว่าจะเป็นอย่างไรคือถ้าผมว่าคนที่มีรายได้มหาศาลในเรื่องการเลี้ยงดูชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเอง<ๆ>เขาก็สามารถที่จะกินให้มันดีขึ้นอยู่ให้มันดีขึ้นได้แต่ถ้าเป็นคนที่มีรายได้น้อยในคาว่าเลี้ยงชีวิตให้อย่างเป็นสุขให้อย่างอิ่มหนาเนี่ยภาษาอังกฤษที่เขาแปลก็แปลตรงตัวทัวงมว่า happiness หรือว่าให้มีความพอใจมีความ please เกิดขึ้นซเส้นความพอใจความสุขของแต่ละคนเนี่ย มันก็ไม่เท่ากันอีกมันก็เปลี่ยนแปลงไปตา ม, มความอยากแหละนั่นคือคนที่ถ้าอยากมากๆแต่ว่ามีเงินน้อยความอยากเกินชีวิตของเรามันก็จะไม่มีความสุขเลยทีนี้หรือแม้แต่บางคนเงินมากอยู่แล้วแต่มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างดีงีสวยรู้ดีกว่าคนที่ไม่มีอันจะกินทั่วๆไปอยู่แล้วดีกว่าชนชั้นกลางทั่วๆไปอยู่แล้วแต่ถ้ความอยากมันเกินไปตรงนั้นนั่นมันก็จะไม่ใช่เป็นสุขไม่ใช่อิ่มหนำละ่ะซึ่งตรงนี้อย่างที่เราได้พูดกันไปว่า มันก็ไม่ใช่แค่ความสุขในปัจจุบันใช่ไหมมันก็ยังต้องมีความสุขในเวลาต่อมาต่อมาอีกเพราะฉะนั้นเรื่องของการที่เรารักษาศีลการที่เรามีเพื่อนดีการที่เรามีศรัทธาการที่เรามีปัญญาพวกนี้จะทําให้เรารู้จักคอยควบคุมความอยากตรงนี้ไม่ให้มันล้ําหน้าไม่ให้มันเกินไปแต่จนกระทั่งเกินความสุขที่เราควรจะต้องมีซึ่งจริงๆบางคนเนี่ยก็ในมีความสุขในเรื่องเล็กๆน้อยๆในบ้านของตัวเองก็ได้ อันนี้ครับก็มีความสุขได้ก็อยู่ที่ความพอใจความที่จะเพียงพอความมักน้อยความสันโดษตรงนั้นซึ่งนี้ก็เป็นเรื่องทางใจที่เราสามารถฝึกได้ซึ่งอันนี้นก็อยู่ที่การบริหารจัดการของเรานะทําให้ดีจัดการทางด้านเงินทองจัดการทางด้านจิตใจด้วยและในช่วงของการฟังธรรม ะ, ะที่เป็นระบบ2ภาษาที่นัดเลือกประสูต์ต่างๆมาให้ท่านผู้ฟังฟังนี้ถ้าบอกว่ายังมีคําถามข้อสงสัยหรือว่าข้อเสนอแนะใดๆ จะองการติดต่อกับทางรายการท่านผู้ฟังสามารถที่จะเขียนไปจดหมายหรือว่าใบเสนียบัตจะจงมาได้ที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีหรือถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ไปที่เพียวธรรมา c o m อม p u r e d h a m m a com สจริยพร